เอานะทีนี้สรุปว่าใน <c oughs> การสาธิตพวกเราเคยทำมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะจึงพาเดินจย ก, กลุ่มก่อน น, น, นั้นเวลาเดินจย ก, กลุ่มเราจะใช้สี่แบบนี้เบื้องต้นนะถ้าหากว่าเราต้องการเดินมาลองใช้ว่าในช่วงไหนรู้สึกว่า มันฟุง้งมันคิดมันง่วงก็ใช้แบบที่มันรู้สึกทวนกระแสเยอะๆเช่นถอยหลังหรือออกข้างเงี้ยมันก็จะหายง่วงเพราะในกรณีที่ทวนกระแสมากๆต้องการเอาไปแก้ตัวนิวรหรือตัวกิเลส ท, ที่เขามาครอบงําเพราะตัวกิเลสจะเข้ามากับความอะไรความเผลอและความเพลินทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่เผลอและไม่เพลินมันก็จะไปแก้กิเลสตัวนั้นได้ขเขาเรียกนิวรนะเพราะนั้น กิเลสทุกตะกูลทั้งต้นไปจากการเผอและเพลญญนินที่พราาะพุทธเจ้านิยาว่านันธิราคะสหคตานันธิราคะก็คือความไข่ด้วยอํานาจของความเพลินนะทุกอย่างกิเลสทุกตัวที่เกิดไปจากตัวอยากตัวโลภตัวตันหาราคะตัวอยากตัวอะไรต่างเนี่ยเริ่มต้มนไปจากคําว่านันธิคือเพลินทั้งนั้นเลยความเพลินมาจากที่ความรู้สึกสบาย นะทีนี้ความสบายเนี่ยทุกคนต้องการใช่ไหมไม่มีใครต้องการความไม่สบายอนะ่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างความเย็นกับความร้อนระหว่างความสบายไม่สบายเนี่ยความเย็นหมายถึงความร้อนหรือความความสบายหรือไม่สบายรู้สึกเย็นสบายหรือไม่สบายถ้าเราร้อนเราต้องการเย็นจะรู้สึกพอดี <S <S ใช่ไหมถ้าเราเย็น ต้องการร้อนก็จะรู้สึกพอดีแต่ถ้าหากว่าเราไม่เย็นไม่ร้อนเราต้องการอะไรสบายสบายนะวันละครสบายจึงเป็นกลางระหว่างเย็นกับร้อนนะเราก็เลยว่าตัวเย็นกับตัวร้อนขึ้นอยู่ที่เราต้องการแต่ตัวสบายเนี่ยเราต้องการมันไหมมันมีอยู่โดยธรรมชาติในวันสบาสบาย แต่เย็นนั้นจะต้องทําอะไรสักอย่างให้มันเย็นเช่นอากาศนี่ใช่ไหมทํามีแอร์มีพัดลมมีน้ําแข็งทำให้ถ้าร้อนกว่า น, นี้ทําอะไรสักอย่างให้มันร้อนแต่บางทีร้อนโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเลยก็มีนะใช่ไหมเงื่อนไขโดยธรรมชาติแค่ห้องเนี้ยระบาดอากาศไม่ระบายก็ร้อนละดังนั้นที่เราทำเนี่ยต้องการรู้สึกให้สบายสบายอ่าไม่เย็นเกินไปและไม่ร้อนเกินไปอ่ะกับข้อที่นั่ง ทีนี้ก็จะทดสอบว่าไปสร้างจังหวะมาเมื่อกี้ใครจําได้ใครจําไม่ได้แต่เจ้ากรรมนายเวรเข้ามาดึงไปหนึ่งคนแล้วนะนะเจ้ากรรมนายเวรหมายควาว่าเขาไม่อยากให้เราทําเขาก็ยังบีบขาบีบแข้งบีบหวัวบีบหน้าบีบตาเราให้มันปวดเสียนเป็นเก้าอันนี้เพราะฉะนั้นมานเขาก็จะลืมมานะเราจะพูดในรายละเอียดทีหลังนะตอนนี้การสร้างจังหวะ สำหรับผู้ใหม่จำได้ทุกคนแล้วเนาะอันนี้คนเก่านี่ไม่กี้ลงไปเคยทำมาแล้วยังไม่เค ย, ไ ม, เคยไม่เคยสร้างเยวะนะโอเคจำได้แล้วใช่ไหมโอเคเอาทีนี้ทุกคนลองนั่งสร้างเัวหวะให้ดูว่าใครทำถูกใครทำผิดใครทำแบบเคยชินไปทำแบบรู้สึกตัวพร้อมกัน